ุกวันตอนเช้าตอนเย็นเราก็ได้ร่วมกิจกรรมสาธยายทมแสดงออกทางกายวาจาใจที่สมบูรณ์แบบถ้าเราจดถึงว่าเป็นการทำความดีเวลาสวดมนต์ไหว้พระอียามรยาทที่เราทำที่เราแสดงนั่งคุกเข่าประนมมือ แล้วก็สาธยายทำแล้วก็ทําอันที่เป็นความดีทั้งหลายที่เราแสดงออกทางวาจาใจเราด้วยเราก็ได้เป่งสุ้มเสียงที่พอดีพอดีไปกับคําที่เราสาธยายก็เป็นความสุขชนิดหนึ่งเป็นความสุขอันหนึ่งเฮ หรือว่าเป็นความถูกต้องเป็นการทำความดีที่สมบูรณ์การทำวัดรมนต์ที่เราเรียกว่ า, าศาสนพิธีเอามาเป็นเสียงแวดล้อมในการปฏิบัติธรรมเพื่อให้การปฏิบัติธรรมการเจริญสติงอกงาม แต่อีกหลายๆอย่างบางอย่างเรารู้บางอย่างเราทําลงไปในเมตตาเมตุลนาให้อภัยสเพสตาสเพสตาไม่ใช่ความรู้เป็นการแสดงออกสุดหัวใจความรู้เราก็เป็นอันหนึ่งไปความรู้สึกตัวเลือกได้ก็เป็นการสร้างเอาเร่เคยไปจํามาจากไหน ความให้อภัยเนี่ยการที่ดูแลการใส่ใจในการทำอะไรตัวเรากับสิ่งอื่นวัตถุอื่นไม่ใช่ความรู้เป็นเราจะตั้งใจปลูกต้นไม้ต้นชาววันละสิบต้นไม่ใช่ความรู้เป็นการที่แสดงออกแล้วก็มีความสุข เวลาอะไรที่เราต้นไม้ไปฝังลงในดินมันก็เป็นความสุขกันน่งไม่ใช่ความรู้เวลาใดที่เราได้จับสายยางเปิดน้าลดต้นไม้ไม่ใช่ความรู้มันเป็นการแสดงออกที่แสดงออกถึงความอะไรหลายห ล, ลายอย่างเวลาใดที่เราได้เดินชมต้นไม้ที่เราปลูก่วยมันต้นโตโตมันก็เป็นการอันนไม่ใช่ความรู้ มันเป็นความชอบกันนั้นในเวลาใดที่เราได้นั่งสร้างจังหวะยกมือขึ้นยกมือลงนี่ก็ไม่ใช่ความรู้เป็นการที่เราสัมผัสกับโลกอีกโลกหนึง่งที่มันอยู่เนื้อทุกอย่างเราได้เดินจงกลมเราได้มีความรู้สึกตัวในเวลาใดที่มันเกิดหลงขึ้นไป เรารู้สึกตัวเนี่ก็ไม่ใช่ความรู้ที่จํามาจากไหนเป็นการเป็นบทฝึกหัดที่ที่เราหาได้ยากจากตัวเราจากคนอื่นจากสิ่งอื่นวัตถุไม่มีเลยในแต่เราที่เอาความเหมาะสมกับในการนั้นมาเป็นการปฏิบัติที่ให้เกิดความดีความรู้สึกตัวอย่างนี้ มันจึงเป็นชีวิตชีวาอันนึ่งของนักปฏิบัติของผู้ปฏิบัติมันเป็นการสัมผัสที่ช่วยคนอื่นไม่ได้มันต้องเป็นเรื่องของตัวเรานี่สิ่งที่เราทําอยู่นี่มันเป็นการเป็นงานชอบใครจะรู้ใครจะไม่รู้พอไม่เป็นไรแต่ว่าแน่ๆคือเราได้ ถ้าว่าเกิดผลเราก็ได้สัมผัสแล้วถ้าว่าเกิดโทษเราก็ได้ละแล้วนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมสิ่งที่เราทำอยู่นี่มันก็แล้วเป็นไม่เหมือนเราทำอันอื่นเราหิวข้าวเรากินข้าวกินจนตาย เราอาบน้ำก็อาบตนตายเราแปลงฟันก็แปลงฟันจนตายเราจะหลับจะนอนจะตื่นก็ทำอยู่เช่นนั้นเราจะทำงานทำการหาเงินหาทองเรื่องลูกเรื่องต่อคนเลี้ยงคนนั่นเรื่องลูกเรื่องหลานทำดีกับคนนัน่นคนนี้ก็ทำอยู่ตลอดเวลาเพราะมันเป็นคนเราคนต้องทำดีกับคนตลอดเวลาทำดีกับเพื่อนตลอดเวลา มัน ก, ก็เป็นชีวิตที่วา น, นเมื่อวานหลวงพ่อก็ไปคอแนแจกไปดูหลวงพ่อคนทำให้ป่วยอยู่โรงพยาบาลคอแนแจกกลับมาก็ค่ำให้ทันทําวัดท่านท่านที่ท่ามาไฟหวานอยู่ที่นั่นนัน ก, ก็เป็นความสุขหนึ่งเป็นคนโบราณเขาไม่มีโรงพยาบาลเวลาคนออกลูกประชวรก็เป็นนอน คุยกันสมควรล้วก็ของคนก็นอนหลับตื่นขึ้นเกิดเที่ยงคืนกลับมาว่าของคนก็ไม่หลับปลุกกันของคนก็ปล่อยทันแก้งแก้ ง, กงปล่อยกันเนาะแนอนเนี้ยนั่นแหละก็เป็นความสุขกันหนึ่งใคไปดูคนป่วยคนไข้มันเป็นความสุขกันแลวคนออกลูกก็คอยดูมันมีความสุขกันะของคนคนรานั หลายหลายอย่างที่เด็กครที่จะพบเหตุในชาตินี่ยในชีวิตของเราก็จะเป็นความสุขก็ไม่ความสุขเพราะลูกเพราะรถเพราะกินเพราะเสียงมันเป็นความสุขอีกหลายอย่างะทุกวันนี้คนก็แค่นี่แหละความสุขเพราะลูกเพราะรถเพราะกินเพราะเสียงเท่านั้นเป็นการพุ่มเพิ่มพุ่มเฟยความสุขแบบนี้เป็นความสุขที่สิ้นเปลืองทุกสิ่งทุกอย่าง ความสุขพขเกิดจากเราไม่อาหารสัตว์ความสุขที่เกิดจากเราโูกตดนไหวทําอยู่ทํากินมืนพระพุทธเจ้าว่าความสุขที่เกิดจากการงานอันชอบมันก็มีรสชาตินะา ง, งานอันชอบคือต้องทำกันอาบเหงื่ อ, อเหงื่ อ, หอไหลคล้อยมันก็เป็นความสุขอ่ะแล้วความสุขที่เป็นที่มัน เป็นสุขในลันดอนคือความสุขที่เกิดจากการไม่มีเหตุกาจากการที่ไม่มีทุกข์จากมีความรู้สึกมีความรเลือกได้นีก็อันนี้สุดยอดเลยเรียกว่ากเกษมสุขกเกษมสุขที่ไม่ต้องปีนต้องป่าสุขที่เกิดจา ก, กรูปรสกลิ่นเสียงการสัมผัสอันนั้นสุขต้องปีนป่า ต้องปีนขึ้นไปแล้วก็ได้พอได้เราก็ตกลงมาแล้วก็ปีนขึ้นไปอีกสมความอยากพอได้แล้วก็ตกลงม า, ต, ง า, ม า, ต, งมาต้องปีนต้องฝา่าอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่ไหนก็ไปปีนเอาอเอาอันอื่นมาเป็นความการกำหนดได้ความสุขมันมัน <S 2> <S 2> <S ปีนป่ายสุขกเกษมไม่ต้องปีนฝ่าสุขที่เป็นสุขที่ไม่ต้องมีอะไร นี่นะชีวิตของเราอย่าคับคับแคบแคบอย่าคับคับแคบแคบอย่าให้อะไรมาวงเล็บเราความสุขก็อย่าให้มันอยู่ในวงเล็บไหนตัวเราความทุกข์ก็อย่าให้มันมาบวงเล็บไหนตัวเราคือมันสมมุติวงเล็บคือสมมุติชั่วคลัง่งชั่วขาวปรมัติเนี่ยแผ่ออกไม่มีขอบ มองอะไรเห็นเป็นคู่เป็นคู่เห็นสมมุติเห็นวัดเห็นปรมาทิติวิทย์ต้องเป็นปรมาิตย์สัจจะสภาวธรรมความโกรธเป็นสมมุติบัญญัติความไม่โกรธเป็นปรมาิตย์สัจจะความหลงเป็นสมมุติบัญญัติความไม่หลง่ความเป็นทุกข์เนี่ยเป็นสมมุติบัญญัติสมมติบัญญัติเป็นวงเล็บเราเจงต้อง นี่สติเนี่คลียออกเหมือนกับชีวิตเรามันเป็นวัตฏะเหมือนกับเป็นวงกลมขอบกค้งพอตกลงไปแล้วก็เกล้งจนสุดเวียงจนสุดกำลังไม่ได้อยู่ที่เดียวเกล้งไปจนสุดแรงของของแรงแต่ว่าผู้ที่ตัดวัตฏะ มันก็เหมือนกับขอบกรดงที่ตัดออกพอตกลงก็ปับ๊บพออยู่ที่เดียวอยู่ที่เดียวไม่เกลี้ยงไปไม่มีแรงเกลี้ยงเป็นธรรมชาติแล้วก็คนกินเหล้าสูบบุหรี่พรสูบจึงติดพรติดจึงอยากเพราะอยากจึงสูบพรสูบจึงติดเพรติดจึงอยากมันก็ต่อกันไปต่อกันไปเคลี้ยงไป อ็อันเดียวลนะ่ะอันเดียมันเก้งเลยเพราะสูกยังติดเพราะติดยังอยากเพราะอยากยังสูบเพราะสูกจังติดเพราะติดยังอยากวัตจัเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าอะไรภาษาเรีว่าอะไรเรียกว่าอะไรไม่รู้ภาษาัฏจักรเป น, นะัน <laughs> เัง คนเรที่มันเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดรักกิดชังเพราะอยู่ในรักหรือไงมันมันต่อไว้อ่พอเรามีสติด้วยทีมันเพราะไม่สุกก็ไม่ติดเพราะไม่ติดก็ไม่อยากเพราะไม่อยากก็ไม่สุกตัดไปแล้วไม่มีแรงลงสู่แปบแต๊บะเพราะไม่สุกก็ไม่ติดเพราะไม่ติดยังไม่อยากเพราะไม่อยากก็ไม่สุขเพรไม่สุกก็ไม่ติดเพราะไม่ติดก็ไม่อยากเลยหมดเลยสิ้นสิ้นวัตต์ัด แรงวัฏฏะไม่สามารถจะเกลี้ยงเราไปตามตามตามตามโลกหรือว่าโลกนะอันนั้นเป็นโลกรดของโลกสำหรับผู้เจริญเสตยไม่ในอะไรเพราะฉะนั้น <c oughs> เราอย่างอย่างนี้นะชีวิต เ, เราถ้าไม่มีความชัดเจนในชีวิตอย่างๆจะไม่รู้เรื่องนี้เรา แลดโลดนโลดแลลนได้แตสิ่งต่างๆพรนะพุทธเจ้าจังอวโลกก็วิ่งล่ออยู่ตามฝั่งในนี้เองผู้จะถึงฝั่งแห่งพระเดพานมีน้อยนะส่วนมากมนุษย์ส่วนมากวิ่งล่ออยู่ตามฝั่งในนี้เองความก็เป็นรสชาตินะมันวัตตาเนี่ย มันเปลีป่ายเปลี่ยนปยมันก็ได้อย่างที่เปลี่ยนปัยแต่ต้องปปเปลี่ยนปยเรื่อยๆในการปฏิบัติธรรมมันเป็นศักดิ์ศรีของชีวิตเรามันเป็นมรดกของชีวิตนะความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนะเราจึงปฏิบัติกันต้องทํากันอย่าไปคิดว่ามันเป็น เรื่องสำหรับคนเท่าคนแก่คนไม่มีงานไม่การไม่ใช่คนมีงานมีการนั่นแหละการปฏิบัติธรรมมันจะเหมาะสมที่สุดเหมาะสมที่สุดสำหรับคนที่มีงานมีการเพราะการงานที่เราทำ บางทีมันก็กลายเป็นสิ่งที่ทําให้เราหลงได้คนที่มีความรู้สึกตัวนะ่ยมันเหมาะแก่การทํางานทําการเหมาะแก่การใช้ชีวิตเพื่อทํางานทานําการคนมีความรู้สึกตัวนะคนที่ไม่มีงานมีการบางทีาอาจจะหลงเมกกื่อโกคนไม่งานไม่การก็ได้บางโอกาสก็เหมาะทั้งทั้งหมด แล้วการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าน้ามเหลวมันมีมันเป็นการเป็นงานยังที่ได้พูดเอาให้ฟังไว้สักาก่าอนกอนเราไม่กายกายเราก็มีจริงมีสติแล้วก็ยกมือขึ้นมันก็รู้จริงๆเราใช้กายเพื่อสร้างสติมันก็ถูกจริงๆ บางทีเราใช่กายเพื่อหลงมันก็มีอยู่จริงเราใช่กายเพื่อรู้มันก็มีอยู่จริงความรู้กับความหลงมันเกิดอยู่ที่กายมันก็มีอยู่จริงความรู้ความหลงมันเกิดอยู่ที่จิตที่ใจก็มีอยู่จริง <ein> <c oughs> ผู้ปฏิบัติก็ย่อมเห็นสิ่งที่มันฉายสิ่งเหล่านี้มันแสดงให้เรามันแสดงให้เราเห็นความหลงเกิดขพืนที่กายความหลงเกิดพื่อเทใจ ความทุกข์เกิดขึ้นที่กายความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจมันแสดงให้เราเห็นอยู่มันมี <ica> มันมีงานให้ทําอยู่แล้วเราก็ทําได้ความหลงเกิดขึ้นที่กายเราก็ใช้ความรู้ให้เกิดขึ้นที่กายตรงกันครับความหลงที่มันเกิดขึ้นที่ใจเราก็มีความรู้เกิดขึ้นที่ใจตรงกันครับแล้วทําอย่างนี้มันทําชอบมันทําถูก มันทำถูกเก่งๆตรงนี้มันถูกเก่งๆความถูกประเภทนี้ความถูกอย่างนี้เป็นความถูกที่ชอบด้วยธรรมไม่ใช่ถูกแบบสมมตินะถูกด้วยปณมัติแล้วมันก็เห็นอยู่บ่อยๆบางทีสิ่งที่เราทาอยู่นี้เมื่อเราทำไปมันก็มีผล ความหลงที่กายพอเรามาสร้างมันเกิดความรู้มันก็มีผลมันมีผลมันให้ผลได้ตามสงควรแก่ผู้ปฏิบัติมันมีผลได้แล้วมันก็จะต้องมีงานมีการทําต่อไปแทนที่เราทำอย่างนี้ทําได้มันเกิดสิ่งที่มันทําได้เกิดต่อไปต่อไปต่อไปที่เราที่เราเรียกว่าเป็นมรรคเป็นผล เป็นมรรคเป็นผลความรู้สึกตัวเท่านี้ที่เราสร้างอยู่เนี่ยต่อไปมันก็เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นญาณเป็นฌานเป็นมรรคเป็นผลมันก็เสร็จเป็นมางคนแล้วเป็นมางคนแล้วเป็นงานที่เราทำเนี่ยมันไม่เหมือนงานที่แบบทั้งโลกมันแล้วไม่เป็น แต่งานที่เราทำเลยเราทำงานขงเขาให้แล้วกายของเราให้ให้จบซะใจของเราก็ให้จบซะปัญหาของกายของใจเนี่ยที่มันจะก่อให้เกิดโทษเกิดภัยเนี่ยจบไปซะมีแต่ปัญหาที่มันเป็นอาการเป็นธรรมชาติของเขาที่มันอยู่ได้เพราะมันมีอาการมีธรรมชาติอันนี้เราก็ใช้มันไปใช่กายใช่ใ จ, ใ, จ, ใ, จ, ใ, จให้ทำความดี ไม่ใช่ว่าจะให้กายให้ใจเนี่ยทำผิดทำถูกเป็นโทษเป็นไฟถ้าเราทำถึงที่สุดแล้วกายเป็นประโยชน์กายก็เป็นประโยชน์ใจก็เป็นประโยชน์ประโยชน์ในตัวมันไม่พอประโยชน์ต่อกายต่อใจมันไม่พอมันก็เป็นประโยชน์ต่อสิ่งอื่นวัตถุอื่นไปมันไม่แค่นี้งานที่เราทำมันไม่ใช่แค่นี้ แล้วสิ่งที่เราเห็นมันก็เป็นหมวดเป็นหมู่เรียกว่าเป็นทางไปมันเป็นทางไปทางอันชอบคิดถูกพูดถูกทำถูกแล้วก็ใช่ความคิดใช่คำพูดใช่การกระทำอยู่มันก็เลยเป็นความชอบการที่เราคิดถูกพูดถูกทำถูกมันก็เป็นผลกับโทบตอบบุคคลอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่น มันก็เป็นไปแล้วถ้าพูดผิดทำผิดคิดผิดมันก็เป็นผลกระทบตัวตัวโลกตัวคนอื่นต่อเสียงอื่นวัตถุอื่นต่อเป็นภาระต่อกันไปมันก็เกิดเกิดเกิดไปในทางที่ความสงบลมเย็นจากการกระทําของเราเนี่ยแลนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมแล้วเราก็หนึ่งพิพิตหนึ่งที่มีอยู่ ในโลกจากชีวิตหนึ่งที่ไม่อยู่ในโลกเราทําอะไรกับโลกทําให้โลกทําให้อะไรเป็นพระฤาษเปล่าประนับการปฏิบัติธรรมแล้วยึงเป็นการงานด้นชอบสําหรับชีวิตเป็นงานชีวิตของเราให้เราได้มีชีวิตให้ได้ชีวิตความหลงไม่ใช่ชีวิต ความโกรธไม่ใช่ชีวิตความทุกข์ความวิตกกังวลเศามองไม่ใช่ชีวิตทำไมเราจึงจะต้องให้มันอยู่อย่างนั้นเราก็ไม่สมควรจริงๆที่จะให้อย่างนั้นเกิดขึ้นกับชีวิตเราแล้วเราก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์ต่อการกระทำอย่างนี้ ทำไจึงต้องให้ความโกรธความโลภความหลงความวิตกความโวความลักความชั่งซึ่งมันไม่ใช่ชีวิตมาโผล่ไปกับตัวเราจนเป็นภาระต่อตัวเราและคนอื่นอ่านการได้ชีวิตก็คือความรูจจ้สึกตัวความไม่หลงคือชีวิตควไม่โกรธคือชีวิตควาไม่ทุกข์คือชีวิตควาไม่วิตกกรงวลส้าโคือชีวิตนะ มันจึงจําเป็นแต่ต้องมีสิทธิในเรื่องนี้ในชีวิตที่เรามีที่เราใช้ชีวิตของเราต้องมีสิทธิจะ <c oughs> ต้องคอยแต่หลุดโหลนไปเป็นอื่นแล้วก็สียงที่เร า, าทําให้เราหลุดโหลน่นไม่มากเหลือเกินในโลกในโลกไม่มากมากที่มันจะเกิด เราหลงเราคาดเราจะมาฝึกหัดตาที่จะหลงนะถ้าไม่ดูแลตัวเองถ้าไม่หลงจากตัวเราในก่อนเราก็ต้องแก้ตัวเราในก่อนไม่ต้องไปแก้อันอื่นถ้าเราแก้มาลู้สึกตัวที่เราสอนเราความหลงที่จะหลงไปเหตุปัจจัยอื่น หรือว่าไม่มีก็ได้แต่เราการศึกษาของเราไปแก้อันอื่นก่อนที่จะมาแก้ตัวเรามันก็ไม่จบไป่สิน้นอย่างตัวบทกฎหมายรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆที่เขาสร้างขึ้นมาสร้างคุกสร้างตารางไม่จบหรอกถ้ามัหลงถ้าไม่แก้ความหลงอยู่ที่เรานไม่มีทางจบทุกคนคือชีวิตทุกคนก็ต้อง ปฏิบัติกับตัวเองโดยการปฏิบัติธรรมนะโดยการปฏิบัติธรรมมันก็เป็นอย่งังไแล้วก็ไปทำอันอื่นก็ได้ไปพร้อมๆกันไปพร้อมๆกันคนอื่นเผาจุดไฟเผาฝ า, ล, า, า, า, าล้วก็หาวิธีที่จะไม่ให้เ้าจุดไฟเผาฝาคนอื่นเขาตัดต้นไม้เราก็หาวิธีที่จะไม่ให้เขาตัดต้นไม้ อั น, นก็ไปพร้อมๆกันแต่ว่าคนที่เราจะไปบอกไม่ให้คนอื่นตัดป่าก่อนที่จะไม่ให้คนอื่นเผาไฟก่อนที่ไม่คนอื่นทําให้เกิดปัญหานะเราก็ต้องทําตัวเราได้เราทําได้อย่างไรเราก็ไปสอนคนอื่นดังนั้นเราไม่โกรธเราก็ไปสอนคนให้เขาไม่โกรธ เราไม่ทุกข์เราก็ไปสอนคนอื่นให้เขาไม่ทุกข์เราไม่หลงเราก็ไปสอนคนอื่นให้เขาไม่หลงเราทำได้ยังไงเราก็สอนเขาอย่างนั้นมันจึงมั่นคงแต่บางคนเนี่ยไปทำงานในด้านเนี่ยตัวเองหล ง, นนหล ง, งก็ไปสอนคนอื่นไม้ให้หลงตัวเองโกรธก็ไปสอนคนไม่ให้โกรธอันนั้นมันมันจะเป็นปัญหากระทบต่อเราเพื่อนร่วมงานเพื่อนรักกันร่วมงานกันเกิดปัญหาก็ลยเพราะ พอเราก็หลองแล้วลเขาพาเราหลงเราก็หลงไปกับเขาถ้าเราสอนเราแล้วแม้นมีเสียงอื่นจะพาให้เราหลงพาให้เราโกรธพาเราตกมันไม่เป็นพ่อเราทําได้อย่างไรเราก็สอนเขาอย่างนั้นกฎเกณฑ์สูตรมันอยู่กับเราหลักสูตรมันอยู่กับเราสิ่งอื่นที่ทําให้เราหลงสูตรมันไม่หมืเหมือนมีสูตรอยู่สูตรยาสูตร อาหารแม้เขาจะพงไปประอื่นมันก็ไม่ใช่ลักษณะเดียวกันแต่มันไม่ใช่สูตรมันอยู่กับเราสูตรความถูกต้องมันอยู่กับเราสูตรความผิดมันอยู่กับเราเราแก้ได้แล้วเราทาได้แล้วจึงเรียกว่าแก่ของสองตะเกียงชีวิตเราต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีชีวิตแบบนี้เนี่ยค่าชีวิตเราก็น้อยน้อยนะ ยังมาชวนมาปฏิบัติตื่นแต่ดึกศึกแต่หนุ่มตื่นแต่ดึกศึกแต่นุ่มตื่นดึกได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยโบราณท่านว่าตื่นสายก็เมื่อแก่เมื่อเท่าแล้วตื่นดึกก็ได้ตั้งแต่หนุ่มน่มน้อยๆตื่นดึกได้งานหลายชีวิตได้หลายได้มาก ได้ชีวิตมากหลายปีแต่ถ้าตื่นสายได้ชีวิตน้อ ย, อยได้งานน้อ ย, อยถ้ามีความสุขก็มีความสุขไม่กี่ปีก็ตายไปแล้วถ้าตื่นแต่ดึกตั้งแต่นุมแต่สาวเนี่ยอาจจะได้มีชีวิตชิวาไปนอนงานการเราก็ได้เยอะได้สั่งได้สอนได้ดูได้แล้วได้ทําอะไรมั น, น, นก็สมบูรณ์พราปัญญาไปรอให้เราให้แจกการปฏิบัติธรรม แต่ความสุขก็เป็นของเราเองอยู่ไปได้นานหลายปีไม่มีอะไรมาแบ่งถ้าเราปฏิบัติทรมรู่ตัวเองไม่ถูกแบ่งเป็นชีวิตหลุดล่วนนะแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่ลู่ชีวิตเราก็ถูกแบ่งไปเรื่อยๆความโกรธควาไปบ้างความหลงเอาไปบ้างความทุกข์เอาไปบ้างความรักความชังเอาไปบ้างความยินดีความยินไล่เอาไปบ้างมันไม่ใช่เท่านั้นความยินดีความยินไล่ อาจจะเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะเกิดการผิดพลาดหลายอย่างปัญหาตามมาเยอะแยะถ้าหลงแล้วถ้าไม่หลงก็ปัญหาก็หมดไปเยอะแยะเยอะแยะไวันดเลยมันก็อย่างนี้จึงจึงเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนตัวการปฏิบัติเป็นเรื่องที่เริ่มต้นจากตัวเราแท้ๆก่อนอย่าไปเจนอย่าไปเจนคนอื่นเป็น ปัจเจ ก, กับบุคคลศาสนาเกิดขึ้นจากปัจเจ ก, กับบุคคลเมื่อเกิดขึ้นจากบุคคลหนึ่งมันก็จึงค่อยมีสองแล้วการปฏิบัติของเราก็ไม่อารมณ์ไม่ทางไปเห็นไหนเห็นกายไหมมีไหมกายานุปัสสนาไม่สติเห็นกายเริ่มตุ้นที่สุดเลยอะไรมาที่ไม่ใช่กายตัดออกไว้ตัดออกไว้ นีสติเห็นกายไปก่อนแม้อันอื่นจะเกิดขึ้นสิ่งอื่นจะเกิดขึ้นมาล้วก็ไม่ไปกับเขาเราก็ต้องมาตั้งหลักปฏิกายก่อนอย่าไปยุ่งกับความคิดนะทาใหม่ๆมันจะทะลักเข้ามาใหญ่โตขนาดไหนอย่าไปสนใจปฏิบัติใหม่ๆอย่าไปคุมจิตอย่าไปห้ามจิตไม่ต้องไปคุมไปห้ามมันรู้สึกกายของเราหน่ยหลักมันอยู่ั้งไหน กลับมากลับมามันจะคิดอะไรก็กลับมากลับมามันจะแสดงอะไรจะเป็นตายลร่ดียังไงก็กลับมาเหตุผลอะไรที่เกิดจากความคิดไม่สนใจกลับมารู้กายรู้กายอย่าไปเอาเหตุเอาผลอย่าหาคำตอบอย่าหาคำผิดคำถูกอย่าหาคำตอบจากความคิดตอนนี้ตอนที่ปฏิบัติธรรมบางทีเราอาจจะได้ ใช่ความคิดกันมาหาคําตอบจากหาคําตอบจากความคิดมาตลอดพ อ, อมาปฏิบัติทำแล้วก็เอาแล้วเหตุผลทะลักเข้ามาแล้วไม่เกี่ยวกับเหตุกับผลรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปบ่อยตั้งไว้ตรงนี้ก่อนกลับมาซะก่อนถ้ารู้ที่ตายเท่ากับว่าเราทําอะไรทั้งหมดแล้วของที่ยากยากก็ไม่ไม่ได้แก้บางอย่างแต่มาตั้งไว้ที่นี้ก่อนไม่ได้แก้อะไร พอมันเห็นกายตามความเป็นจริงแล้วมันก็จะเห็นเวทนาเวทนามันก็มีมันแสดงออกก็เห็นเอ้าจิตก็เห็นคำว่าเห็นนี่คำว่าเห็นนี่นั่นและทุกอย่างแล้วถ้าจะได้ไว้แก้ก็แก้ได้แล้วถ้าเห็นถ้ายังไม่การเกิดการเห็นมันจะไปแก้ไม่ได้เด็ดขาดต้องให้มันเกิดการเห็นเสียก่อนเห็นกาย ไม่ใช่รู้นะเห็นเห็นเวทนาเห็นเห็นเราก็หลุดพ้นละไม่ใช่ไปเอาเหตุเอาผลไปเอาความผิดความถูกรู้ความผิดความถูกไม่ไม่มีใครไม่รู้ถกความรู้แบบนั้นมนใช่ไม่ได้ความทุกข์วเนี่ยเราก็รู้ทั้งนั้นนะ่ะความโกรธเราก็รู้ว่าไม่ดีแต่เรายังโกรธยังทุกข์อยู่มันใช่ไม่ได้ต้องเห็นต้องเกิดกาให้เกิดการเห็นเห็นกายเห็นเวทนานะ เห็นเราก็หลุดพ้นเห็นจิตพร <c oughs> าทำ่มจึงเห็นเพราะเราสร้างสร้างภาวะที่รู้ดูดูก็เป็นลักษณะของตาแต่ตาที่รู้สึกงตัวมันเป็นตาใน <c oughs> เหมือนตาเนื้อถ้าเราได้ดูมันก็ต้องเห็น <c oughs> เห็นเราก็รู้ว่าคืออะไร <c oughs> เป็นหนามก็เป็นหนาม <c oughs> เห็นงูก็เป็นงู <c oughs> เราก็หลุดพ้นได้เพราะตาเนื้อ บางอย่างบางทีก็ไม่หลุดบางอย่างสร้างปัญหาบางอย่างหลุดพ้นไปพร้อมๆกันแต่ตาในที่ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนะมันจะเกิดการเห็นถ้ามันเห็นแล้วก็หลุดพ้นเหมือนเกล็ดตาเนื้อนั่นแหละเห็นความหลงก็พ้นจากความหลงเห็นความโกรธก็พ้นจาคนกความโกรธเห็นความทุกข์ก็พ้นจากความทุกข์เห็นความ ก็พ้นจากความสุขเห็นอะไรก็พ้นจากสิ่งนั้นถ้าได้เห็นเห็นเห็นเห็นแล้วก็หอกกลับไปสร้างพอตัวรู้เรื่อยไปกลับมาตั้งไว้ที่เดิมคิดที่มันคิดมันก็มีอยู่เอาไปมาเราจะเห็นความคิดไม่ใช่ไปห้ามความคิดแต่ก่อนเราหมกแต่ไปห้ามความคิดไม่อยากให้มันคิดพอเรามีหลักมีฐานเราเห็นเห็นแล้วมันคิดขึ้นมาก็เห็นง่ายๆ แต่ก่อนมันเรื่องยากถ้ายังไม่เห็นไปคุมไม่อยากให้มันคิดต้องการจะให้มันสงบก็อยากให้มันคิดมันยากเหมือนตปี่ยนเปลียนที่กัดขาจับขาเราไปดึงมันหลุดทางหนึ่งมันก็ติดทางหนึ่งแล้วดึงอีกมันหลุดทางหนึ่งก็ติดทางหนึ่งแล้วไม่ต้องไปดึงไปเที่ยวเปียงออกเอายาฉุนเอายาฉุนแต่ก่คนคนแถวนาก็ต้องมีห่อยา ติดเอวเวลาทํานาะเปล่งมันกิน ก, นก็เอาอยาอ้าบมาบีบเอาไปจุ่มน้ําำได้หน่อยก็บีบจะใส่ปากเปล่งก็หลุดไปเองบางทีก่อนที่ลงอาบลงทํานาเอาอยาฉุนหาหาบางทีเปล่งก็ไม่ต้การที่มาเกี่ยวข้องกับเปล่งต่างๆมันมีเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเป็นเราไปห้ามความคิดไม่ต้องไปห้ามมันทำไมหม่ มันยิ่งดีเพราะมันคิดทีเราเราจะใดเราจะได้รู้มันคิดทีใด เ, เราจะได้รู้ให้รู้จักกลับมาตั้งว้ธีกายบางคนไปมีปัญหาเพราะความคิดไม่ใช่ปัญหาเอามาทำประโยชน์ให้มันเกิดความรู้ น, นี่นนะการปฏิบัติตามมันไม่ใช่ปัญหามันทำให้เกิดงานการที่เราจะต้องไปสร้างความรู้สึกตัวแต่เราไม่ไปยุ่งกับมันมารู้สึกตัวอย่างเดียว มันมีช่วงหนึ่งอารมณ์ที่สองยังจะไปตรงกับความคิดพอดีเพราะมันพร้อมแล้วตอนนี้อะไรอะไรก็หมดไปมันเหลืออยู่แต่ความคิดอันเดียวที่มันตามที่มันยุ่งสุดท้ายอันตัวเนี้ยอันตัวสังขารอันตัวคิดเนยตัวหลงนลยแหละตอนที่สร็จผมก็เพ่งกับตัวนี้จริงๆตรงเป๊ะเลยแต่ก่อนในมันเอาไว้ที่หลังเถอะความคิดเนี้ยอย่าไปสู้มันก่อน ทีหลังน่ยมันมีพลังอตอนนั้นแหละชนะครั้งสุดท้ายก็คือชนะความคิดนี่แหละการชนะตัวเองคือชนะตัวเองแต่เริ่มต้นเดี๋ยวเพิงไปลบ ก, กับเขาเราไม่มีกําลังพอเก็บตัวเปล่าเปล่าเร า, ร า, ราจึงสร้างเขาเราไปก่อนกายานุปัฏนามีสติเมธนานุพัส น, น, นามีสตินะทำไปอย่างไ้ มันมีสูตรไม่ไม่หลักประโยชนอย่าอย่าให้มันสับสนเอาข้างหลังมาไว้ข้างหน้าเอาข้างหน้ามาไว้ข้างหลังมันมีสูตรพระพุทธเจ้าบอกไปแล้วบอกไปแล้วกายจานุปัฏฐานไม่สติเห็นกายเวทนานุปัฏนาเวทนาคือความสุขความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเห็นแล้วก็กลับมาหากายอย่เพิ่งไปอยู่ตรงนัน้นมันอะไรสัตดึองเราไปเราจะไปอยู่กับเข า, าไม่ใช่เรากลับมา กลับมาปฏิคืออะไรคือกลับมามันไปแล้วกลับมามันไปแล้วกลับมาปฏิบัติคือกลับมากลับมาจนชำนิชำนานการกลับมาเนี่ยเป็นการสอนเป็นการฝึกตนเองให้กลับมากลับมาฐานมาหาที่ตั้งนั่นเลยว่าปฏิบัติสมกับชื่อคำพูดคือกลับมากลับมาสิ่งเหล่านั้นที่ทาให้หลุดไปกลับมากลับมันก็จะเกิดการสะดวกเกิดการง่ายขึ้น บางอย่างไม่ต้องไปแก้บางอย่างมันแก้ในตัวไปเสร็จเลยนี่คือตัวปฏิบัติตามอารมณ์ของกรรมฐ า, านมันจะเกิดเห็นรูปเห็นนามพอเห็นรูปเห็นนามมันแหละมันจะบอกเราบางอย่างไม่แก้มันบอกมันสารภาพสารภาพมันไม่ได้ไปแก้มันเหมือนพูดพาพากษาตุลาการจับจำเลยได้เมื่อถูก เหตุผลหลักฐานเพียงพอมันก็สารภาพเมื่อมันสารภาพเรื่องต่างๆก็จบลงความโกรธความโลภความหลงมันสารภาพเหมือนกันอายอายสติเหมือนกันนะความหลงในี้อายสติที่สุดเลย อ, อายแต่ก่อนมันไม่มีอะไรอายมาได้เฉยเดินมาอย่างเฉย ครอบมางำได้อย่างเฉยครอบงําได้อย่างฟีๆไม่มีใครทักท้วงพอเรารูส้สตัวพอเรารู้ตัวเจ้าของรู้เลยอายละวันถ้าวันอายแล้วก็ก็สบายแล้วไอ่มันนหะในเรือความละอายเป็นเทวดานะความละอายเนะี่ยเป็นภูมิธรรมของเทวดา ลายต่อความชั่วไม่กล้าคิดชั่วไม่กล้าพูดชั่วไม่กล้าทำชั่วในความรู้สึกตัวไม่มีใครเห็นเราเห็นตัวเราเองหมดคนอื่นจะไม่เห็นก็ไม่เกี่ยวเราเห็นตัวเราเนี่ยละอายก็เพราะก็คิดมันก็ละอายนะถ้าถึงอารมณ์ถึงเห็นรูปทำนามทำแม้แต่ความคิดก็ละอายถ้าอายความคิดตัวเอง จะคิดอย่างนี้ได้ยงไงจะพูดอย่างนี้ได้ยังไงจะทํานี้ได้อย่างไงเนี่ยเสรีกบาลเลื่อนธรรมดาเลยเป็นเทวมดาสักเดือนไม่ได้เลยสักเก็ดวันไม่ได้เลยโอ้อยู่เนี่ก็มาอ๋อเลื่อนไปอีกมีสติไปอีกรู้สึกตัวไปอีกหัวแต่มาละอายในไม่ทําความเพียรไม่ประกอบความเพียรจนถึงเป็นพระประรัศเสด็จเลย เรฝึกกันานี้ฝึกอย่างนี้มันเลื่อนฐานะเลื่อนพบภูมิของชีวิตนะแต่ก่อนมันอยู่ตําๆเนาะพอมันมีสติมันก็เป็นมนุษย์ขึ้นมาเป็นเทวดาเป็นพระขึ้นมาจากการกระทําอย่างนีน้มันเป็นการวิวัตรพัฒนาเลื่อนฐานะของชีวิตเราจะคิดชั่วพูดชั่วไม่ได้จะทําชั่วจะทุกข์คนไปได้สงสาร สงสารตัวเราก่อนก็สงสารคนอื่นในงานนะประงการปฏิบัติทามันไปอย่างนี้นะอ้ะา่ยินไหลก็พูดให้ฟังเนาะอ่าก็จบ่าเนกษาพรพร้อมกัน